ภาษาไทยที่เราใช้พูดใช้เขียนเป็นประจำบางครั้งก็มีอะไรแปลกๆนะแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยสังเกตเท่าไหร่อย่างเช่นเนี่ยค ว, ว่าตัดกระดาษเนี่ยหรือว่าตัดผ้าเนี่ยนะความหมายก็คือตัดกระดาษให้ขาดหรือว่าตัดผ้าให้แต่พอพูดถึงคว่าตัดเสื้อเนี่ยนะ มันไม่ใช่แปลว่าตัดเสื้อขาดนะมันต้นข้ามเลยนะคือการตัดให้เป็นเสื้อนะตัดกางเกงก็เหมือนกันนะไม่ได้หมายความว่าตัดให้ขาดแต่ว่าตัดให้เป็นกางเกงกินข้าวนะกินข้าวกินผักกินปลาเนี่ยมันก็ชัดอยู่แล้วนะคือเอาข้าวเอาผักเอาปลานี่นะมาเคี้ยวใส่ปาก แต่เวลาผู้เรนเขาบอกกินมือเนี่ยนะมันไม่ใช่เอามือมากินนะแต่หมายถึงว่ากินด้วยมือนะหรือกินตะเกียบเงี้ยความหมายมันเปลี่ยนไปเลยนะทั้งที่เรียกว่ารูปคํานี่มันก็ใกล้ๆกันหยุดงานหยุดเรียน <c oughs> หยุดงานคือว่าหรือหยุดเรียนคือว่า ไม่มีเรียนไม่มีทำงานหยุดการทำงานหยุดการเรียนแต่พอพูดถึงคำว่าหยุดพักเนี่ยนะมันไม่ได้ลว่าหยุดการพักนะมันแปลว่าหยุดเพื่อที่จะพักความหมายมันต่างกันนะแม้กระทั่งคำว่าหยุดคิดเนี่ยนะส่วนใหญ่เรวก็หมายความว่าคนที่ เอาแต่ทำงานนะจนไม่มีเวลาหยุดคิดเลยนะอาจจะไม่มีเวลาหยุดคิดเรื่องชีวิตเรื่อง อ, อนาคตแต่ว่าหยุดเพื่อจะคิดนะแต่เวลาหลวงพ่อเทียนนั่นใช่ไหว่าหยุดคิดเนี่ยนะมันไม่เห็นแปลว่าหยุดเพื่อจะคิดนะแต่หมายถึงว่าหยุดความคิดนะ แต่ถ้าไม่ได้ส่งเสริมเราท่านบอกอย่าห้ามนะอย่าไปหยุดคิดไปห้ามความคิดนะความหมายมันเปลี่ยนไปเลยนะที่เราคุณก็คือหยุดเพื่อจะคิดใส่ตรองใส่ความหมายนี่คือว่าหยุดการคิดซึ่งคนส่วนใหญ่ก็เวลามาปฏิบัติก็ทำอย่างนั้นแหละพยายามหยุดความคิด ทำไ ป, ไปบ่อยๆทำไปทีๆก็แน่นหนะ้าอกเครียดปวดหัวอไอ้ที่พูดมันก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะที่เชีเห็นว่าภาษาไทยเนี่ยมันมีอะไรไปแปลกๆแต่ส่วนใหญ่นะเราไม่ค่อยสังเกตอ่ะจว่าคนต่างชาตินี่เขาจะก็จะสะดุดมากเลยนะ ตัดเสื้อก็อย่างหนึง่งแต่ว่าตัดผ้าตัดกระดาษนี่ก็อย่างหนึง่งนี่ทำไมตัดกระดาษคือตัดกระดาษให้ขาดแต่ทำไมตัดเสื้อไม่ได้แปลว่าตัดเสื้อให้ขาดแต่ตรงข้ามนะกลับทำให้เป็นเสื้อนะเป็นรูปเป็นร่างหยุดงานหยุดเรียนทำไมมันไม่เหมือนหยุดพักนะ จริงจริงหยุดงานหยุดเรียนก็เพื่อจะพักแหละแล้วบางทีเราก็ใช้คำว่าหยุดพักหยุดเพื่อจะพักไม่ว่าจะหยุดอะไรก็ตามเช่นหยุดเรียนหรือหยุดงานก็เพื่อจะพักอันนคือความแปลกของภาษาไทยนะซึ่งคนไทยเรียกว่า้อยท้อง้อยนี่ไม่ค่อยสังเกตเท่าไหร่เพราะอะไรนะเพราะว่าเรา เกิดมาพร้อมกับมันเนี่ยเกิดมาก็ตั้งแต่เล็กจนโตก็ก็เห็นมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ใช้มันจนกระทั่งไม่เอดใจเลยนะว่าความหมายมันแตกต่างกันแต่คนต่างชาตินี่ก็จะสังเกตนะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนในแล้วก็เป็นคนนอกมันเป็นคนนอกก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้มันแปลกๆดีนะ ภาษาไทยแต่คนไทยเราไม่รู้สึกแปลกด้วยเพราะอยู่กับมันมาตั้งแต่เล็กจนชินน่้ความคุ้นชินเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่สังเกตความไม่ปกติความประหลาดซึ่งมันมีอยู่เยอะเลยนะในชีวิตของคนทุกวันนี้ อย่างเช่นน่มีคนจนไม่น้อยเลยเนี่ยทำงานหนักทำงานหนักจนเจ็บป่วยแต่ถามว่าทำไมเขาทำงานหนักจนเจ็บป่วยคำตอบคือก็เพื่อจะได้มีเงินเยอะๆแต่เงินเยอะๆที่เขาได้มาเนี่ยจากการทำงานหนักเนี่ยมันจาไปใช้ทำอะไรนะ จำนวนไม่น้อยเลยก็ามาใช้ในการเยียวยารักษาสุขภาพที่เจ็บป่วยเพราะทํางานหนักก็มันก็ดูแปลกดีนะทํางานหนักจนเจ็บป่วยเพื่อได้มีเงินเยอะๆแล้วก็เอาเงินนั่นแหละมาใช้รักษาโรคที่เกิดจากการทํางานหนักไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจม่ไม่จะเป็นโรคมะเร็งไม่จะเป็นโรคเครียดโรคหลอดเลือดสมอง รั้วโลกที่เกิดจากการใช้ร่างกายเกินเลยไปจนเกิดความเจ็บความปวดบางทีไหลติดข้อติดหลังแย่เนี่ยก็ใช้เงินที่ได้จากการทำงานเนี่ยมารักษาร่างกายที่เจ็บป่วย ถ้าถามว่าร่างกายเจ็บป่วยเพราะอะไรนะก็เพราะว่าทำงานหนักเพื่อหาเงินแต่เงินที่ได้มาก็เอามาใช้เพื่อรักษาโรครักษาความเจ็บป่วยรล้วคนก็ใช้กันชีกันแบบนี้นะแต่ว่าไม่ไม่สังเกตนะว่ามันผิดปกติหรือเปล่านะเพราะว่าอยู่กับมันมานานนะ อันนี้ก็ค่อยๆกับที่หลายคนเนี่ยก็ทำงานหนักมากเลยถามว่าทำงานหนักเพื่ออะไร เ, เพื่อได้มีเงินเยอะๆ ม, มีเงินไปทำอะไรก็ได้ไปผ่อนคอนโดผ่อนรถถามว่าคอนโดหรือรถเนี่ยนะซื้อมาหรือหรือผ่อนเนี่ยเพื่ออะไรนะก็เพื่อได้ทางานสะดวกเพราะว่า งานที่ดีรายได้เยอะๆเนี่ยมันก็อยู่กรุงเทพบันทีก็อยู่แถวสุขุมวิทยอยู่แถวศรีลมนะแต่ว่าบ้านนี่โน่นนะอยู่บางบัวทองขึ้นขับรถหรือขึ้นนั่งรถนะจากบางบัวทองมาที่ทำงานนี่ก็เป็นการว่า มาสายนะงั้นก็จำเป็นต้องมีคอนโดอยู่ใกล้ๆใกล้ๆที่ทำงานหรือมิชนัก็ต้องมีรถเพื่อได้ไปทำงานได้ทันเวลาเพื่อสะดวกการทำงานถ้านะถามว่าทำไมถึงทำงานนั้นทำไมถึงเลือกทำงานที่ว่าก็เพื่อได้มีเงินมาผ่อนคอนโดมาผ่อนรถ ดูมันเหมือ น, นงูกินหางนะทำงานเพื่อผ่อนคอนโดเพื่อผ่อนรถแต่ที่มีรถที่มีคอนโดก็เพื่อจะได้ทำงานได้สะดวกนนี้ก็เป็นความประหลาดนะ น, นี่ยังไม่พูดถึงว่าเนี่ยพอป่วยมากๆเข้านะพอการร่างกายมันแย่ บางคนไม่ถึง50แล้วก็เดียงสระร่างกายก็กลายเป็นว่าเงินเนี่ยนอกจากเอามาใช้ผ่อนคอนโดผ่อนรถแลกต้องมาใช้รักษาโรครักษาความเจ็บป่วยมันก็เป็นความประหลาดนะของชีวิตคนสมัยใหม่เนี่ยซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้คิดว่ามันประหลาดเท่าไหร่ ใครๆเขาก็ทำกันแต่ที่ว่าไม่เป็นไยเพราะว่าเกิดมาก็เห็นเขาห็นก็ททำกันอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยทำบ้างอันนี้มันมีคําพูดนะเป็นสำเนินนกไม่เห็นฟ้าป่าไม่เห็นน้ำนอนไม่เห็นอาจมนกเนี่ยนะมันอยู่กับฟ้ามาตั้งแต่เกิดแต่มันไม่เห็นฟ้าเลยเพราะอะไรก็เพราะมันเกิดมาก็เห็นฟ้าแล้ว มันก็เลยไม่รู้สึกว่าฟ้านี่เป็นเรื่องที่สะดุดตาปลาก็เกิดมาก็เห็นน้ำแล้วอยู่กับน้าแล้วมันก็เลยไม่เห็นน้ำหนอนนี่เกิดมาก็เห็นอาจมแล้วหรืออยู่กับอาจมมันก็เลยไม่เห็นอาจมไอความคุ้นเคยเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่เห็น สิ่งที่มันอยู่ต่อหน้าต่อตาหรือไม่เห็นความผิดปกติของมันจนกว่าจะเป็นคนนอกนะอย่างฝรั่งหรือคนต่างชาติเนี่ยพอมาเรียนภาษาไทยเอยประหลาดนะตัดผ้าก็อย่างหนึ่งตัดกระดาษก็อย่างหนึ่งนะแต่ตัดเสื้อนี่มันคนละเรื่องเลยหยุดงานก็อันหนึ่งแต่หยุดพักนี่ก็อีกอีกอย่างหนึ่ง คนนอกนี่ถึงจะสังเกตส่วนคนไทยไม่สังเกตหรอกเพราะเราเกิดมาพร้อมกับความปกผิดความไม่ปกติมาตั้งแต่แรกให้การเป็นคนนอกหรือการถอนออกมาเนี่ยมันก็มีข้อดีนะมาทําให้เราเห็นถึงความไม่ปกติความไม่ธรรมดาอย่างคนที่ ไม่ใช่เกิดมาในสังคมสมัยใหม่เนี่ยอาจจะเป็นคนที่เติบโตมาจากสังคมชนบทต่างจังหวัดเนี่ยพอมาเห็นชีวิตของคนกรุงเทพหรือคนสมัยใหม่แล้วก็แปลกใจวก็ทำงานหนักจนป่วยเพื่อได้มีเงินเยอะ แต่แล้วเงินที่ได้มาหามาได้ก็เอามาใช้รักษาโรครักษาความเจ็บป่วยมันไม่ประหลาดเลหรือว่าทำงานเพื่อได้มีเงินเยอะๆจะได้มีเงินผ่อนคอนโดผ่อนรถถามว่ามีรถมีคอนโดเพื่ออะไรนะก็เพื่อได้ทำงานได้สะดวกหรือได้ได้เงินเดือนดีๆ เพราะว่าถ้าจะไปทำงานแถวต่างจังหวัดเงินเดือนก็ไม่ค่อยดีไม่เหมือนเงินไม่เหมือนงานในกรุงเทพเลยเพราะแถวสุขุมวิทสีลมเนี่ยก็เลยต้องมีคอนโดหรือว่าถ้าอยู่ไกลก็ต้องมีรถแต่ถ้าว่าคนเราเนี่ยรู้จักถอนออกมาจากวิถีชีวิตแบบนี้บางทีมันก็สังเกตนเห็นถึงความปกตินะเห็นถึงความไม่ปกติ ยังมีเศรษฐีนักธุรกิจคนหนึ่งเนี่ยเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาไอ้ช่วงที่ล้มป่วยอยู่โรงพยาบาลนี่ทำงานไม่ได้เลยแต่ว่ามันทำให้เขาได้คิดนะว่าไอ้ที่เขาทำงานไปเพื่ออะไรทำงานทุ่มเทนะมีกิจการเยอะแยะแต่ว่าไอ้เงินที่ได้มานี่ แท่ไม่ได้ใช้เลยเอาแต่หาเงินแต่ไม่ได้ใช้เงินตายแล้วก็เอาไปไม่ได้แต่ถึงยังไม่ตายก็เงินที่หามาได้ก็ไม่ได้ใช้และแถมปวดหัวแล้วกับธุรกิจต่างๆมากมายพอได้คิดแบบนี้รู้เลยนะว่าชีวิตแบบนี้นี่มันประหลาดมันไม่ใช่สุดท้ายนี่ก็ขายเลยนะกิจการ ขายกิจการเกือบหมดเลยแม้กระทั่งธุรกิจที่เป็นที่เป็นเรียกว่าหัวแก้วหูแหวนเนี่ยที่มันทำไรายได้ทํากําไรได้มากมายขายหมดเลยเหลือแต่ธุรกิจเล็กๆพอที่จะเอาไว้ใช้เลี้ยงครอบครัวได้บ้างก็เงินที่มีอยู่สะสมมาก็มากพอแล้วถึงเวลาได้ใช้เงินแล้ ว, ลวที่สำคัญคือว่า มีเวลาเหลือเฟือมีเวลามากขึ้นสำหรับการใช้ชีวิตที่ปราถนาได้พักผ่อนได้ชื่นชมธรรมชาติได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็ได้ฝึกจิตปฏิบัติธรรมพบความสงบคือถ้าไม่ถอนออกมาเนี่ยจากชีวิตที่เป็นอยู่มันไม่เห็นนั่นนะ ตาได้ที่เป็นคนในเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถูกกรบถูกกลืนเหมือนกับเราอยู่ในศาลาเนี่ยนะเราก็ไม่รู้หรอกนะศาลาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงเราจะรู้ว่าศาลานี้รูปร่างเป็นยังไงก็ต้องถอยออกมาจากศาลานี้แล้วก็เดินไปไกลๆเราก็จะเห็นว่าศาลานี้เป็นอย่างไร บางคนเนี่ยอยู่ในตึกที่มีรูปล่างที่สวยมากเลยนะแต่มองไม่เห็นอะไรเลยคนชมว่าตึกสวยแต่ไม่รู้เลยเพราะมัอยู่แต่ข้างในพอมาข้างนอกเนี่ยโอ้จึงเห็นนะโอ้ตึกมันสวยนะประหลาดดีไม่เหมือนตึกทั่วๆไปนี่เพราะว่าออกมา ออกมาก็เห็นหรือถอยออกมาวางระยะห่างจากมันก็จะเห็ น, นคนที่อยู่กับวิธีชีวิตที่มันประหลาดประหลาดอย่างที่ว่ามันเนี่ยก็จะไม่เห็นความประหลาดของมันหรือว่าบางทีเรียกว่าความภาษาฝรั่งเลย absurd นะความไร้สาระจนกว่าจะได้ออกมาอาจจะเพราะ ความบังเอิญเพราะเจ็บป่วยแต่ก็มี่ยนเป็นต้องร้อยเจ็บป่วยนะถึงจะมองเห็นความความประหลาดประหลาดเนี่ยของวิถีชีวิตที่เราเดาเนินอยู่การถอนตัวมาจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆ ม, มาอยู่ในสถานที่ไม่คุ้นเคย หรือมาใช้ชีวิตแบบใหม่เนี่ยเช่นมาอยู่วัดมาเจริญสตินะมาภาวนาหรือบางคนก็ใช้โอกาสนี้มาบวชมาปฏิบัติธรรมมันก็คือการถอนตัวมาจากชีวิตที่คุดนเคยแล้วก็พอมองกลับไปที่ชีวิตที่ตัวเองได้ถอนตัวมาก็จะเห็นนะหลายคนเห็นเล ย, เ, ยเรา ใช้ชีวิตที่แปลกดีบางทีมันไม่ใช่แค่การใช้ชีวิตมันหม่มันลวมไปถึงการรู้สึกนึกคิดด้วยบางทีไปแบกโลกเอาไว้ต้องเยอะแยะไปห่วงกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองเลยจนกระทั่งพอถอนตัวออกมามาบวชมาปฏิบัติจึงเห็นเลยนะโอ้ยที่เราทา มาโดยตลอดนี่มันเป็นการสร้างทุกข์ให้และที่จริงเนี่ยถ้าเราไม่เพียงแต่ถอนตัวออกมาจากวิถีชีวิตนะที่เป็นอยู่แต่ว่าถอนใจของเราออกมาจากความรู้สึกนึคิดเดิมๆเนี่ยบางทีไม่เห็นอะไรมากกว่าที่เคยเข้าใจก็ได้อย่างคนเราเนี่ยนะอยู่กับความทุกข์เนี่ยโดยที่ไม่รู้ตัวเลย อยู่กับความทุกข์อยู่กับความโกรธอยู่กับความโศกความเศร้าความเครียดเนี่ยไม่รู้เลยนะอยู่กับความโกรธอยู่กับความเศร้าอยู่กับความทุกข์มาเป็นปีๆแต่ไม่รู้เลยอันนี้ก็เหมือนกับนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำนอนไม่เห็นอา จ, จี่มอยู่กับทุกข์แต่ไม่รู้ทุกขนะนน์นะที่พระอาจารย์ตัดว่าเนี่ยนะ อริยสัจข้อแรกที่พึงกระทำก็คือรู้ทุกเนี่ยบางคนคิดว่าโอ๊ยเป็นเรื่องง่ายนะจริงไหมมันไม่ง่ายหรอกเพราะว่าคนส่วนใหญ่มันอยู่กับทุกขมาตั้งแต่เกิดแต่ไม่รู้อยู่กับความโกรธอยู่กับความเครียดเนี่ยมาช้านานแต่ไม่รู้มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยแกเคยบอกคนหลายคนแล้วเนี่ยผมไม่มีความโกรธเลยนะ ชีวิตนี้ผมไม่มีความโกรธเลยคุชาวนี้แกเป็นซ e o นะของบริษัทธุรกิจที่เรียกว่าใหญ่พอสมควรแล้วก็ท่าทางแกก็ภูมิฐานความรู้ ก, กันแน่นนะดูสงบนะแต่วันวันดีคืนดีก็ไปทำร้ายภรรยาแฟนสาวทุกตีเขา ผู้หญิงหนีก็ตามทุบตีจนเกือบตายนะดีที่ตำรวจมาห้ามไว้ทันเพราะว่าไล่ล่าทุบตีผู้หญิงเนี่ยแฟนสาวเนี่ยสิบนาทีได้นะจนเาเนี่ยจนผู้หญิงเนี่ยเกือบตายเนี่ยแล้วตัวเองก็บอกเนี่ยผมไม่รู้ว่าทำอย่างนั้นไปได้ยังไงนะคือทำร้ายแฟนสาวไปได้ยังไงขนาด ทำร้ายเขาจนติดคุกเนี่ยก็ยังบอกกับคนในคุกเลยนะว่าผมอ่ะไม่มีความโกรธเลยนะชีวิตนี้มันเป็นไปได้ยังไงนะทำร้ายคนจนเกือบตายแล้วยังบอกว่าไม่มีความโกรธในความโกรธนี่ยมันมีแน่นอนเลยแล้วก็อัดแน่นนะถ้าไม่อัดแน่นเนี่ยมันไม่ระเบิดออกมาจนกระทั่งเกือบฆ่าผู้หญิงที่ตัวเองรักเรียกว่า อยู่วความโกรธมาตลอดเลยนะเพียงแต่กดเก็บกดมันเอาไว้แล้วคงเพราะเก็บกดเนี่ยก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความโกรธถึงกับพูดอวดนะแล้วคนหนึ่งที่เขาพูดอวดก็กคือเป็นอนุษาสนา จ, จาร์นที่มาสอนกรรมฐานเขาในคุกหลังจากที่ถูกตัดสินว่าผิดนะที่ไปทำร้าย แฟนสาวแต่เวลาชายวันบอลเนี่ยผมไม่มีความโกรธเลยเนี่ยอนุาสาวรณาจังวันบอกคุณมีแน่นอนเลยแต่คุณไม่เห็นต่างหากจนกระทั่งได้มาเจริญสติเนี่ยจึงได้เห็นนะโหวความโกรธนี่มันเยอะมากในใจเขาพอรู้ว่าตัวมีความโกรธอัดแน่นนะโหร้องไห้ใหเลยเนะีรู้สึกผิดมากเลยอาจะรู้สึกเสียเซล์ก็ได้นะโอทําไมฉันมีความโกรธเยอะแบบนั้น นี่ก็ธรรมดานะคนที่พอมาเจริญสติมาดูใจของตัวเองเนี่ยก็จะเห็นความไม่ดีที่มันซุกซ่อนหรือเก็บกดอัดแน่นเอาไว้ความอิดชา้าความความโลภความกำหนัดนะหรือว่าความเห็นแก่ตัว ความรู้สึกไม่ดีต่อคนรักต่อพ่อแม่ปุปการีสารพัดมันอยู่กับเขามาตลอดนะแต่ไม่เห็นก็อย่างที่ว่า น, น้องไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้นะํานนอนไม่เห็นอาจจมจนกว่าจะถอนออกมานะการเจริญสติคือการดึงจิตออกมาถอนจิตออกมาแทนที่จะคลุกเคล้าอยู่กับอารมณ์อยู่กับความทุกข์ก็ถอนออกมา เกิดระยะห่างเกิดระยะห่างระหว่างจิตนะกับอารมณ์ก็มันจึงเห็นจึงเห็นอารมณ์เห็นกิเลสสารพัดที่มีอยู่ในใจแต่ใหม่ๆก็จะรู้สึกแย่นะโอ้ทาไมฉันเร็วแบบนี้แต่ต่อไปก็จะเห็นว่าไอ้ที่มันเห็นเนี่ยนะมันไม่ใช่เราไอ้ความโกรธความเกลียด ค, ความอาฆาตเพียบมันไม่ใช่เรา แต่ว่าไปถึงจนนั้นเนี่ยมันต้องเห็นก่อนนะ ว, ว่ามันมีสิ่งเน้นอยู่ในใจซึ่งการที่จะเห็นได้ก็เกิดจากการที่เอาถอนจิตออกมาจึงจะเห็นความไม่ปกติในใจของตัวก็เมื่อคนที่ถอนตัวมาจากชีวิตที่เคยคุ้นเคยเนี่ยไม่ว่าจะพาะป่วยอยู่ในโรงพยาบาลหรือว่าพ่อมาบวชพ่อมาปฏิบัติธรรมแล้วก็จะเห็นนะ ว, ว่าไอ้ความไอ้ชีวิตของเราเนี่ย ที่เราทุ่มเทหรือเป็นบ้าเป็นหลังกันมานมั น, ม, นมันประหลาดมันเพี้ยนมันพิกลนะมันไม่ใช่ให้การถอนออกมาเนี่ยนะจากสิ่งที่คุ้นเคยเนี่ยมันก็เป็นวิธีการหนึ่งนะที่ทำให้เราเห็นถึงความไม่ไม่เข้าท่าหรือว่าความผิดปกติของสิ่งที่เราเคยเว่าเป็นธรรมดาให้ใครที่มีความทุกข์นะแล้วก็ อาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าไม่เคยรู้ว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ยก็คิดว่าฉันทำถูกแล้วนะไม่่คนนั้นจะเป็นพ่อเป็นลูกหรือว่าเป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นใครก็ตามเนี่ยพอถอนออกมาจากสิ่งที่คุณเคยจากวิถีชีวิตหรือจากสิ่งแวดล้อมที่คุณเคยเนี่ยมันจะเห็นเลยนะโอ มันจะเห็นความเห็นปัญหาเห็นความประหลาดเห็นความพิกลแต่ว่าถอนตัวมาจากสถานที่ที่คุ้นเคยจากชีวิตที่คุ้นเคยก็ยังไม่พอนะมันต้องถอนใจออกมาจากอารมณ์จากความคิดต่างๆที่เคยคลุกคล้าด้วยมันจึงจะเห็นชัดเจนและจะรู้ว่าเนี่ยเหตุแห่งทุกข์มันอยู่ที่ไหนเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้น แล้วก็จะรู้ว่าจริงๆความปกติเนี่ยมันก็คือการที่จิตเนี่ยรู้สึกตัวการที่จิตเนี่ยมีสติเป็นเครื่องรักษาใจและถึงตอนนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยกลับเข้าร่องเข้ารอยสู่ความปกติอย่างแท้จริง